Thank you.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 พิสุรูปใดอล่ะอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนี้นะ่ะพิสุชื่อติดสากพระเจ้าค่ะเธออยู่รึเปล่าล่ะน่าจะอยู่นะพระเจ้าค่ะพระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในกุฏิภาพที่ปรากฏหน้าบุญพระพักทำให้พระองค์สังเวชสุดประมาณพิสุรูปหนึ่งอยู่ในมัชชีมวัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงน้อย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 ครั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นสังขารของพระติสากคอยกับปลีกับเปล่าขึ้นพอสมควรแล้วจึงประทานพระโอวาทว่าติสาร่างกายนี้นะ่ะไม่นานนักหรอกคงจะต้องนอนทับถมแผ่นดินร่างกายนี้นะ่ะเมื่อปราศจากวิญญาณคลองแล้วก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าอันเขาทิ้งซะแล้วอย่างไม่ใหญ่ดี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 มีพระอนุนเป็นปัจชาสมณ ะ, สะเสด็จไปตามเสนาสนะต่างๆทอดพระเนตเห็นพิสุอาพาธหนักรูปหนึ่งนอนจมกองอุจราและปัสสาวะของตนอยู่พิสุรูปนั้นป่วยเป็นโรคท้องร่วมไม่มีใครพยาบาลเลยทั้งนี้เพราะเมื่อคราวท่านปกติดีอยู่ท่านไม่เคยอุปการะใครพระพุทธองค์อันพระมหากรุณาเตือนแล้ว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 แต่เมื่อมาสู่ธรรมวิไนนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้องซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นบิดามีธรรมวิไนเป็นมารดามองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีจิตมีพระดรภาพแผ้ปกคลุมอยู่ทั่วร่วมเงาแห่งกาสาวัตนอกจากจะมีต่อเพื่อนโรมจารีแล้วพระดรภาพซึ่งเอิบอาบอยู่ในจิตใจของพิสุ์ทั้งหลาย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 จากบรรพชิตแล้วยังมีครือหารอีกมากหลายซึ่งพระอานนท์ได้ช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยเป็นต้นว่าท่านอนาถาปิณิกาเศรษฐีและเครือหาปรปณีนามว่าสิริวัฒนาชาวเมืองราชกฤกและเครืหารปีนามว่ามานทินนท์ชาวเมืองราชกรึก เ, เ, เช่นเดียวกันแน่นอนทีเดียวการอุปการะช่วยเหลือผู้อื่นคล้าวอาพาธนั้น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 เหมือนประสบมาเองบางคนสามารถได้เจโตปริย า, ยานคือรู้วาระจิตของผู้อื่นต่อปัญหาได้โดยที่ผู้ถามเพียงนึกถามอยู่ในใจเท่านั้นพระอานน์ได้เห็นสังคารวภามผู้ถือการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นอาจินวัตดังนั้นแล้วมากราบทูลตะผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าพระองค์ผู้เจริญสังขรวภาพ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 หาได้ล้างภายในไหมท่านคิดว่าสิ่งปฏิกูลภายในเน่ะจะพลอยหมดไปด้วยหรือเปล่าล่ะเป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมผู้เจริญบุรุษผู้นั้นน่ยย่อมเหนื่อยแรงเปล่าไม่อาจทําให้ภายในหม้อสะอาดได้สิ่งสกปรกเคยเกิดครั้งอยู่ยังไงก็คงอยู่อย่างนั้นดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวกายทุจริวตวจีทุจริตมนโนทุจริตว่า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 ปรารถนาความสุขความสำเร็จแก่ผู้อื่นในฐานะที่พอช่วยเหลือได้หลังได้กล่าวมาแล้วนี้คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของท่านซึ่งน่าประทับใจยิ่งนักคือมีความเคารพยังเกรงต่อพระเถระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐซึ่งพระศาสด า, สดาทรงยกย่องแล้วมีพระสารีบุตรและพระมหากรสปะเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรสปะนั้น พระอนนลไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อท่านคราวหนึ่งพระมหากษัตริยเป็นอุปชายยะให้อุปสมบทแก่กุลบุตรผู้หนึ่งจึงส่งโทษไปนิมนต์พระอ น, นุลเพื่อสวดอนุสาวนาคือสวดประกาศเพื่อขอความยินยอมจากสงในการสวด น, นี้จะต้องระบุชื่อผู้เป็นอุปชายยะด้วยพระอ น, นุลไม่รับท่านอ้างว่าท่านไม่สามารถเอ่ยชื่อพระมหากษัติย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 สตรีส่วนมากอนะ่ะเป็นคนโง่เขลามักขาดเหตุผลพูดไพร่อยไปอย่างนั้นเองอะ่ะการที่พระมหากัะสปักกล่าวกับพระอนุ์อย่างนั้นไม่ใช่พระท่านน้อยใจหรือเสียใจในการที่พิสุณีกล่าวดูหมิ่นท่านแต่ท่านกล่าวด้วยคิดว่าคําพูดของท่านคงจะถึงพิสุณีและเธอจะได้สำนึกตนแล้วกลับความเห็นเสะ การที่พิสูุนีกล่าวเช่นนั้นเป็นการไม่สมควรจะเกิดโทษและทุกข์แก่เธอเองด้วยจิตคิดจะอนุเคราะห์อย่างนี้พระมหากัสสปะจึงกล่าวอย่างนั้นโดยความเป็นจริงแล้วพระมหากัสสปะมีความสนิทสนมและกรุณาพระ อ, อนทน์ยิ่งหนักกล่าวกันว่าแม้พระ อ, อนทน์จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชราเกษสงออกแล้วพระมหากัสสปะก็เรียกท่านว่า เด็กน้อยอยู่เสมอและพระอนนนละ่ะก็ประพฤตินตนน่ารักเสียจริงจริงคราวหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาทูลว่าสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สามกนั้นเขาได้บูชาแล้วด้วยการถวายอาหารบ้างถวายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้บ้างเวลานี้เขาต้องการจะบูชาพระธรรมควรจะทำอย่างไรดีจึงเรียกเดว่าบูชาพระธรรม